อ่อขอให้ทุกคนทุกท่านจงเจริญสติสร้างความรู้สึกรับรู้สัมผัสของลมหายใจของตัวเราให้โตเนื่องให้ชัดเจนนั่งตามสบายวางกายให้สบายแล้วก็วางใจให้สบายไม่ต้องปลน ม, มือฟังไปด้วยน้อมสำเนีกไปด้วยลงสูรลมหายใจเข้าไปยาวๆลึกๆ แล้วก็ผ่อนลมหายใจออกมาเยาะยาสักสองสามเที่ยวความนึกคิดปรุงแต่งต่างๆที่เกิดจากใจก็จะหยุดความรูร้สึกสัมผัสของลมหายใจที่วิ่งเข้าวิ่งออกกระทบปลายจมูกของเราก็จะชัดเจนอย่าไปบังคับลมหายใจอย่าไปบีบลมหายใจหายใจเยาวยาผ่อนลมหายใจออกมาเยาวยา เป็นการผ่อนผ่อนคลายทางด้านร่างกายหายใจก็ไม่อึดอัดเวลาเราหายใจเข้าก็มีความรู้สึกเรารู้ยิ่ที่ปลายจมูกของเราความรู้สึกไม่ชัดเจนเราก็สูดลมหายใจเข้าไปยาวสัมผัสของลมหายใจที่กระทบปลายจมูกของเราก็จะชัดเจนเราพยายามฝึกตั้งแต่ตื่นขึ้นตั้งแต่ยังไม่ลูกจากที่ พอรู้ตัวปุ๊บก็รู้สัมผัสของลมหายใจเข้าออกปับ๊บหายใจเข้าหายใจออกให้โตเนื่องรู้ให้โตเนื่องอันนี้ที่เรียกว่าสติรู้กายเราต้องสร้างขึ้นมาแล้วก็พยายามสร้างให้โตเนื่องเราก็จะได้มองเห็นว่าตั้งแต่ผ่านผ่านมาความรู้ตัว ต, วตรงนี้คงเรามีมีไม่มาก เราพยายามสร้างขึ้นให้ต่อเนื่องให้เข้มแข็งแล้วก็รู้จักเอาไปใช้เอาไปรู้รู้ใจรู้ลักษณะคงใจส่วนการเกิดของใจนั้นเขาเกิดอยู่ตลอดเขาหลงมาตั้งนานหลงมาตั้งแต่ยังไม่ได้เกิดแล้วก็มาเกิดมาสร้างภพมนุษย์มาสร้างขันหา้าปิดกั้นตัวเรา กะหน้ายอยู่ในร่างกายก็พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆเป็นเด็กจากเด็กเป็นผู้ใหญ่จากผู้ใหญ่เนี่เป็นเด็ ก, ก, ด ก, ก, ดกได้รับการศึกษาโรงเรียนผ่านการผ่านเวลาความรับผิดชอบผิดถูกจดดีความเฉียสละความอดทนอยู่ในระดับคงสมมุติตรงนี้มีอยู่อันนี้แหละที่เรียกว่าปฏิบัติฝึกขัดปฏิบัติทำแต่เราไม่เข้าใจในส่วนลึกๆ ในส่วนใจที่เกิดส่งไปภายนอกเป็นลักษณะอย่างไรใจที่มารวมมายืดกับขันห้าเป็นลักษณะอย่างไรเราต้องเจริญสติตามแนวทางของพระพุทธองค์ท่านได้สอนเรื่องชีวิตสอนเรื่องการดำเนินชีวิต สอนวิธีการจําแนกแจกแจงว่าวิญญาณในกายของเราเป็นลักษณะอย่างไรทําไมวิญญาณหรือว่าใจถึงเกิดถึงมา ย, ยึดแล้วก็เป็นธาตุของกิเลสต่อทั้งความอยากความไม่อยากความโลภความโกรธความหลงนี้ต้องจเจริญสติเข้าไปสังเกตวิเคราะห์จนกว่าใจของเราจะแยกรูปแยกนามหรือว่าคลายจากขันห้าได้ถึงจะคลายความหลงเพียงแค่คลายเพียงแค่เริ่มต้น สัมมาทิฏฐิความเห็นถูกถ้าความรู้ตัวของเราไม่ตามดูตามรู้ตามเห็นชี้เหตุชี้ผลให้ได้ทุกเรื่องเขาก็จะซึมเข้าสู่สภาพดื่ม การสร้างบุญสร้างบา ร, รมีทุกคนมีกันมาดีในระดับพงสมมติมีความละอายเก่งกลัวตอบาปมีความเชื่อมั่นในพระตนาตายมีความขยันหมั่นเพียรฝ่าฟันอุปสรรคในระดับพงสมมติมาได้ระดับหนึ่งแต่การทําความเข้าใจกับป่ใจคลายใจออกจากขันห้าตรงนี้มีไม่เพียงพอแล้วก็มีไม่โตเนื่อง เราก็จงพยายามถ้าเราจเจริญสติเข้าไปสังเกตใจของเรารู้ไม่ทันต้นเหตุเราก็รู้จักหยุดรู้จักดับน้อมเข้าไปดูไปปล่อยทำความเข้าใจไปปล่อยไม่เข้าใจเท่าไหร่เราก็ยิ่งเพิ่มทำความเพียนจนรู้จนรู้จนเห็นจนที่เหตุที่ผลได้ใจยอมรับความเป็นจริงได้เราถึงจะมองเห็นหนทางเดิน กิเลสตัวไหนมาเล่นงานเราเราละกิเลสได้หรือไม่กิเลสใกล้กิเลสไกลกิเลสภายนอกมาทําให้เกิดหรือว่าเกิดจากกิเลสตัวภายในกิเลสหยาบเป็นอย่างไรกิเลสละเอียดเป็นอย่างไรเราต้องรู้ต้องเข้าถึงต้องทําความเข้าใจรู้ความจริงในชีวิตของตัวเราแล้วก็ค่อยละการละเรียก ว, ว่าการปล่อยการวางพยายามจัดระบบระเบียบของจิตใจของเราให้ได้ ใจของเรามีความสงบมีความปกติใจของเราคลายจากขันห้าเราละกิเลสได้ตัวในเรายังละไม่ได้เราก็พยายามละการฝึกหัดปฏิบัติตัวเราก็คือการดำเนินชีวิตให้ถูกต้อง จึงแต่เกิดจนกระทั่งถึงวันตายอันนี้ส่วนรูปอันนี้ส่วนนามถ้าเราแยกจำแนกแกเกยงได้เราก็จะเข้าใจในคำสอนของพระพุทธองค์คำว่าอัตต า, าเป็นลักษณะอย่างไรอนัตตาเป็นลักษณะอย่างไรวิญญาณในขันห้าเป็นอย่างลักษณะอย่างไรการรอบรู้ในกองสังขารการรอบรู้ในวงดวงวิญญาณการรอบรู้ในปัจจัยสีการรอบรู้ในโลกธรรมเราจะ ดำเนินชีวิตของเราอย่างไรเราต้องรู้ด้วยเห็นด้วยประกาศให้ตนเองได้ด้วยว่าจิตใจของเราขณะนี้เป็นอย่างไรแต่เวลานี้ทั้งใจทั้งขันห้าทั้งสติปัญญาเขารวมกันไปหมดรวมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนอาจจะเห็นถูกอยู่ในดับของสมมุติในหลักธรรมแล้วก็ยังต้องคลายออกให้หมดมีปัญญาทางโลกีตทั้งร้อยก็ต้องคลายออกทั้งร้อยให้เหลืออยู่ที่ความว่าง ความบริสุทธิ์ของใจหนุนกําลังสติปัญญาไปทำหน้าที่แทนทุกเรื่องในการผึกขัดปฏิบัติขัดตัวขัดกายขัดใจของเราไม่ใช่ว่าเวลาโน่นถึงจะปฏิบัติเวลานี้ถึงจะปฏิบัติเราปรับสภาพใจของเราให้อยู่ในความอ่อนน้อมถ่อมตนให้อยู่ในความเมตตาให้อยู่ในความเสียสละ ให้อยู่ในความเป็นระเบียบระเบียบของกายของวาจาของใจนี่เราต้องพยายามศึกษาจนหนุนกนาลังสติปัญญาไปใช้การใช้งานได้งานสมมุติเราก็พยายามทำให้ดีเพราะว่าเรายังอาศัยสมมุติอยู่เพราะว่ากายของคนเราวิญญาณมาสร้างพบมนุษย์ พัฒนามาเรื่อยๆเขาก็มาอาศัยกายกายของเราก็ยังอาศัยปัจเจ sĩ เราก็ต้องพยายามทําดําเนินให้ถูกที่ถูกวิธีถูกทางเราก็จะมองเห็นหนทางเดินอย่าพากันผัดวันประกันพรุ่งอย่าพากันปิดกันตัวเราว่าไม่มีโอกาสทุกคนมีโอกาสทุกคนมีบุญกันหมดทุกคน บุญมากบุญน้อยเราก็พยายามสร้างขึ้นมาพยายามทำให้ปรากฏขึ้นที่กายที่ใจของเราให้ปรากฏขึ้นที่สมมุติที่เราเข้าไปยุ่งเกี่ยว คำว่าสมมุติเป็นอย่างไรพิมุดเป็นอย่างไรมีอยู่ในกายของเราหมดก็ต้องพยายามอาไม่ว่าพระวิญญาณบัญชีวันสองวันสองสามวันมานี้รู้สึกว่าพายุจะเข้ามาในเมืองไทยเกิดอุทกภัยเกิดน้ำท่วมกันหลายทิศหลายที่หลายทางไม่ว่าอยู่ที่ไหนอยู่ที่วัดของเราก็โดนเยอะอยู่เหมือนกันทั้งต้นไม้ก็หักโคนลงมาหลายจุดหลายที่ พระเราก็ช่วยกันพยายามช่วยกันไปเอาออกจากที่โคนลงมาตรงห้องน้ําฝั่งตะวันตกอหอชั้นของเราก็ตนนบริ่มเลยจะโคนลงมาทับห้องท่วมห้งน้ําแต่ยังไม่ถึงดีเท่าไหรพ่พากันไปช่วยไปตัดไปนั่นออกค่อยทําค่อยเป็นค่อยไปตัดที่ะเล็กเลือน้อยเอาไว้เผาท่าน ผอมาใช้ให้เกิดประโยชน์เราก็จะได้ไม่ได้ลำบากทั้งพระทั้งชีมีอะไรก็ร่วมกันก็ช่วยกันไม่ใช่ว่าอมองหาหนทางไม่เจอ เราก็พยายามการเจริญสติเป็นอย่างนี้ความรู้ตัวที่ต่อเนื่องกันเป็นนี้การละกิเลสเป็นอย่างนี้เราต้องพยายามทําให้ได้ทุกุริยาบทยืนเดินนั่งนอนกินอยู่ขับถ่ายจับแนกแจกแกงให้ได้ใช้ตัวเองให้เป็นเอาไปใช้กับการกับงานใจที่ปกติเป็นอย่างนี้ใจที่คลายจากขันห้าเป็นนี้ใจที่ละกิเลสได้เป็นอย่างนี้เราเราก็ดําเนินให้ถึงจุดหมายปลายทางกัน ถ้าเราสอนเราไม่ได้ไม่มีใครจะสอนให้เราได้เลยนอกจากตัวของเราเองเราก็ต้องพยายามทำความเข้าใจอันนี้ภาษาธรรมอันนี้ภาษาโลกโล ก, กธรรมก็อยู่ด้วยกันสมมุติกับวิมุติก็อยู่ด้วยกันอัตตากับอนัตตาก็อยู่ด้วยกันนอกจากกะหมดลมหายใจจนคลายใจออกจากขันห้าได้เราถึงจะรู้เรื่องอนัตตารู้เรื่องความว่าง ใจที่ว่างจากการเกิดว่างจากกิเลสว่างจากความยึดมั่นถือมั่นว่างจาก <c oughs> กิเลสต่างกิเลสหยาบกิเลสละเอียดเราก็ต้องพยายามศึกษาเอาทำความเข้าใจเอาแนวทางนั้นพระพุทธองค์ท่านได้ค้นพบมานาน <c oughs> เว้นแต่ว่าพวกเราจะดาเนินให้ถึงจุดหมายปลายทางกันหรือไม่บุญสมมุติเราก็พยายามทำให้เต็มเปี่ยม ไม่ว่าอยู่ที่ไหนไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเราก็พยายามทำความเข้าใจให้ได้อันนี้คือสมมุติอันนี้คือวิมุตต์อยู่ใกล้ๆตัวของเรากายของเรานี้ก็ก้อนสมมติตัวใจคลายออกจากขันห้าแยกรูปแยกน้าได้เราก็จะเข้าใจในเรื่องวิมุตต์ อะไรควรละอะไรควรเจริญอะไรควรดำเนินก็ต้องไปศึกษากันนะเ อ, เอาวันนี้ควเจริญทำแบบเดียว น, นี้พากันไหว้พระพร้อมๆกันพากันไปสร้างสารค์โตทำความเข้าใจกันเอา